บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปจำเพาะเรื่องวิธีคิดแบบแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอริยศัสตร์กับวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์พุทธธรรมได้แสดงอยู่นิโสมนศสิการซึ่งเป็นวิธีการแห่งปัญญาไว้หลายวิธีสำหรับใช้ในสถานการณ์ต่างกันบ้าง ใช้ประกอบกันในสถานการณ์อย่างเดียวบ้างน่าสังเกตว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าวิธีการแห่งปัญญาบางทีใช้เรียกวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบแก้ปัญหาซึ่งในที่นี้ใช้เรียกวิธีคิดแบบอริยศัสตร์เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเห็นควรยกวิธีคิดสองแบบนั้นมาเทียบเคียงกันดู วิธีการแบบวิทยาศาสตร์มี5ขั้นตอนคือ 1. การกำหนดปัญหาให้ถูกต้อง (location of problems) 2. การตั้งสมมุติฐาน (setting up of hypothesis) 3. การทดลองและเก็บข้อมูล (experimentation and gathering of data) 4. การวิเคราะห์ข้อมูล Analysis of Data อาการสรุปผล Conclusion พึงสังเกตว่าในวิธีคิดแบบนี้ก็มีการสืบสาวหาสาเหตุเป็นส่วนสำคัญด้วยแต่แอบแฝงไว้ในขั้นที่สองเราบบางครั้งสาเหตุที่คาดนั่นเองเป็นตัวสมมุติฐานและบางครั้ง สาเหตุบ่งถึงสมมติฐานไปด้วยในตัวแต่ก็มีข้อแย้งว่าในหลายกรณีสาเหตุไม่บ่งชัดถึงสมมติฐานและต้องตั้งสมมติฐานเผื่อไว้หลายอย่างส่วนในวิธีคิดแบบสแสวงอริยสัจแยกการสืบสาเหตุเป็นขั้นหนึ่งและจัดขั้นทั้งหมดเป็นสองระดับเทียบพอเห็นเขา กระบวนธรรมตามสภาวะเป็นขั้นของการที่จะเข้าถึงด้วยความรู้คือคิดแล้วรู้ให้ตรงความจริงที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหนึ่งขั้นกำหนดทุกข์ให้รู้ว่าทุกข์หรือปัญหาคืออะไรอยู่ที่ไหนมีขอบเขตแค่ไหนเท่ากับขั้นกำหนดปัญหา 2. คั้นสืบสาวสมุทยัยอย่างสาเหตุของทุกข์หรือปัญหานั้นเท่ากับในที่นี้ท่านวงเล็บไว้ว่าไม่แยกต่างหาก 3. คั้นเก่งนิโรธให้เห็นกระบวนการที่แสดงว่าการดับทุกแก้ปัญหาเป็นไปได้และอย่างไรเท่ากับ ขั้นตั้งสมมุติฐานกระบวนวิธีของมนุษย์เป็นขั้นที่จะต้องลงมือปฏิบัตินับเป็นข้อที่สี่ขั้นเฟ้นหามักแยกย่อยออกได้สามขั้นมักขั้นที่หนึ่งเอสนาหรือคเวสนารวมทั้งวิมังสนาแสดงหาข้อพิสูจน์ หรือทดลองเท่ากับขั้นทดลองและเก็บข้อมูลมกขั้นที่สองวิมังสาหรือประวิจาร์ตรวจสอบร่อนเลือกเก็บข้อที่ถูกต้องใช้ได้จริงเท่ากับขั้นวิเคราะห์ข้อมูลมกขั้นที่สามอนุโพธการข้อที่ผิดออก จับหรือเฟ้นได้มักแท้ซึ่งนำไปสู่ผลคือแก้ปัญหาได้เท่ากับขั้นสรุปผลขั้นตอนเหล่านี้พึงเห็นการแสวงสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดังนี้ 1. ขั้นกำหนดทุกข์ความทุกความเดือดร้อนปัญหาต่างๆของมนุษย์ มีมากมายหลากหลายทั้งทางกายทางใจทั้งภายนอกและภายในแต่เมื่อว่าโดยพื้นฐานก็คือภาวะบีบคั้นกายใจภาวะที่ขัดแยง้งฝืนไม่เป็นไปตามความอยากความยึดถือของมนุษย์ปัญหาหรือความทุกข์ของมนุษย์อาจมีรูปลักษณะต่างๆนานาปล่กันไปตามถิน่นตามการซึ่งจะต้องใช้วิธีแก้ไขให้ตรงกับรูปลักษณะ และเฉพาะกาลเทศะนั้นๆแต่ความทุกข์พื้นฐานนี้เป็นปัญหาที่เนื่องอยู่กับชีวิตอยู่ที่ธรรมชาติของมนุษย์เองเป็นทุกข์หรือปัญหาของตัวคนแท้ๆไม่ว่าคนนั้นจะอยู่กลางธรรมชาติหรือไปร่วมเป็นสังคมทุกหรือปัญหาอย่างนี้ก็ติดตัวไปแสดงและก่อผลกับคนเสมอไปไม่ว่ามนุษย์จะแก้ไขปัญหาดับทุกข์ ที่เนื่องด้วยกาลเทศะอย่างไรหรือไม่การแก้ไขทุกขั้นพื้นฐานนี้ก็เป็นกิจที่ต้องกระทำยืนพื้นตลอดเวลาเสมอไปและความทุกข์พื้นฐานที่ได้รับการแก้ไขหรือไม่นี้จะมีผลต่อการมีและต่อการแก้ไขปัญหาอื่นๆทุกอย่างทุกระดับด้วยประโยชน์ที่จำเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดและสูงที่สุดของชีวิต จึงอยู่ที่การแก้ไขความทุกข์พื้นฐานแห่งชีวิตนี้ได้ส่วนทุกหรือปัญหาอื่นๆก็ต้องแก้ไขกันอีกขั้นหนึ่งคู่เคียงกันไปตามกราวตามกรณี 2. ขั้นเสืบสาวสมุทไทยเพื่อจะได้แหล่งเห็นหนทางแก้ไขต่อไปขั้นนี้สัมพันธ์กับขั้นที่สามคือขั้นเกงนิโรธ หมายความว่าจะเก่งนิโรธอย่างไรก็อยู่ที่ว่าจะจับเหตุได้ถูกต้องตรงหรือไม่ในที่นี้ท่านวงเล็บไว้ว่าให้ดูข้อที่สามคือสามแบบแรกที่จะกล่าวในขั้นที่สามต่อไปได้แก่สแสวงหากรรมสุขบำเพ็ญฌานสมาบัติบำเพ็ญตะบักจับสาเหตุไม่ชัดเช่นเห็นว่าเป็นเพราะยังได้สุขไม่เพียงพอ หรือไม่สืบสาเหตุเลยมองข้ามขั้นไปและแบบที่สคือตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทข้อนี้จับได้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คือตัณหาหรือสืบลึกลงไปอีกได้แก่กระบวนธรรปฏิจจสมุปบาทโยงไปถึงอวิชชาส ขั้นเก่งนิโรธคาดหวังว่าการดับทุกข์จะเป็นไปได้ตามกระบวนการดังนี้คราวละอย่างแบบกอแสวงหาการมาสุบบำรุงบำรเรอตนให้เต็มที่แบบขอบำเพ็ญฌานสมาบัติตามโยคะวิธีแบบขอบำเพ็ญตบะดำเนินชีวิตเข้มงวด ทรมานกายแบบงอตัดวงจรปฏิจจสมุปบาทดับอวิชชาตัดทางตัณหามีสติดมเนืนอชีวิตด้วยปัญญาขั้นตอนที่สี่ขั้นเฟ้นหามักมักขั้นที่หนึ่งเอสนา พระพุทธเจ้าได้เคยทรงดำเนินชีวิตและปฏิบัติตามวิธีการครบแล้วทั้งสี่อย่างนอกจากนั้นยังได้ทรงสังเกตเห็นชีวิตความเป็นไปของคนและสังคมที่เป็นอยู่หรือปฏิบัติเช่นนั้นแล้วว่าเป็นอย่างไรมรรคขั้นที่สองวิมังสาวิเคราะห์ผลการสังเกตทดลองทรงตระหนัก ตั้งแต่ก่อนออกผนวดว่าการสแสวงแต่การมสุขไม่อาจให้ชีวิตมีความหมายประสบสาระแท้จริงและนำไปสู่การเบียดเบียนทรงเห็นชัดว่าการบาเพ็ญวิธีโยคะนำไปสู่ผลสำเร็จทางจิตอันเป็นฝ่ายสมาธิอย่างเดียวการบาเพ็ญตะบะก็เป็นการหาทุกข์ทำตนให้ลำบากเดือดร้อนเปล่าๆส่วนวิถีแห่งปัญญา ที่ดับอวิชชาไม่ขึ้นต่อตัญหาสามารถดับเหตุแห่งทุกข์ทำให้หลุดพ้นเป็นอิสระได้จริงมรรคขั้นที่สาอนุโพธจึงได้ความรู้เห็นตามเป็นจริงที่เป็นข้อสรุปว่าวิธีแห่งกามสุขและตบะเป็นทางสุดโตง่งคืออันตะ โยคะวิธีก็ทำให้ติดค้างอยู่ในระหว่างอย่างมิใช่ทางเป็นอมักส่วนทางสายกลางซึ่งเป็นวิถีแห่งปัญญาเริ่มด้วยปัญญาอันเห็นชอบเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั่นหละจึงเป็นทางที่ถูกต้องยุติว่าตัวมักหรือมักที่แท้ได้แก่มักที่มีองคศด การเทียบเคียงวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์กับแบบสแสวงอริยาศาส์นี้ดรสาโรธบัวสีได้เคยเขียนเคยแสดงไว้เช่นในหนังสือของท่านชื่อพุทธศาสนากับการศึกษาแผนใหม่เป็นต้นนับว่าเป็นข้อหน้าอนุโมทนาแต่ในที่นี้มีเวลาคิดค้นตรวจสอบหลักวิชาต่อมาอีกจึงได้แสดงแตกต่างออกไปบ้างอันหนึ่งได้เคยกล่าวแล้วว่าไตรลักษ กับปฏิจจสมุปบาทความจริงเป็นกฎเดียวกันแต่แสดงคนละแง่ภาวะที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ทำให้มีความบีบคั้นขัดแย้งจึงมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาอ น, นิจจังทุกขงังวิปรินามะธรรมังแต่ทั้งนี้ยอมเป็นไปตามเหตุปัจจัยวิธีคิดตามหลักนี้ เปิดช่องให้มีการขยายความออกไปครอบกลุมความคิดแนวที่เรียกว่าวิภาษาวิธีได้ด้วยแต่น่าจะลองวิเคราะห์วิภาษาวิธีนั้นด้วยวิพัฒนวิธีอีกชั้นหนึ่งเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรควรจะได้วิเคราะห์วิจารณไว้ต่างหากตามโอกาส